บุ๊กทูหกสิบเอ็ดเซสเดกปู่นุดับเลข o r d i n a numerals เดือนแรกคือเดือนมกราคม La unua monato, estas j a n u a r o เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ La dua monato Estas februaro เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม La tria monato Estas marto เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน La k v a r a monato Estas aprilo เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม La quina monato estas mayo เดือนที่หคือเดือนมิถุนายน La sesa monato estas junio หก ok เดือนคือครึ่งปี Ses monatoi consistigas duonanjaron ม ก, กราคมกุมภาพันธ์มีนาคม janu ัวโรเฟบรัวโรมาร์เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนอปริโลมาโยไคยูเนียเดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม l าเซปา m o นาโต เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคมเดือนที่เก้าคือเดือนกันยายนเดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายนเดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคมสิบสองเดือนคือหนึ่งปี อุนายันยกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนยยอาโตเซปเทมเบรตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมออกตอบรโนเวมเบร์ไฮเดเซมเบร